โอเทวดาเทวดาลายกูเทวดบุตรเนาะเดี๋ยวไปมิต่เทวดาหลายฟังได้ชัดเจนอยู่ตัวอีสานฮะเออพอได้บ้างเออฟังไปติ๊กติ๊กมึงก็จิรุณเนาะนั่นแหะเสียงอีสานพึ่งมือข้างนี้เห็นเนา ก่อนมัน็เพลิัดกลางลงปูพนก็วอไปแล้วภาคกลางนารกสวรรค์อีงพ้นเพา่าว่ไปแล้วแสดงไปแล้วพ่แม่นว่แต่ละลุแต่ละองค์ลงปูอีสานมาผัดไปทั้งนี้ ไ, ไปยังไนอีวันเนี้เอาอีงดีนะาะวันนี้เนาะอนโมติดหรืออนโมตัต้งหรืออนโมตัตตดอนุโมตัต้ง ตั้งระเด้นนโมก่อนจีให้จินอมันเร ง, งที่หละคนฮามันตางผาาตางภาษามันเสมอกันโดยคือถาดซีขันหาเสมอกันแต่สำเนียงทางภาษานี่มันต้องต่างกันฮ่อต้องสังเกตบึงฝรั่ง คนไทยคนจีนพมา่ากกมเูชนไปคุณนละเสียงบรือเสียงเดียวกันสำเนียงของคนแต่ละประเทศคนละเสียงเนาะเออมานีอีสานกับภาคกลางภาคใต้เป็นอย่างไรมันไปคุณนละเสียงอยีตเป็ดไก่กานก เสียงเดียวกันหรือไปคนละเสียงอันนี้เราก็ต้องสังเกตมันก็ขาสองปีกสองขึ้กันละ่ะกากับไกบเป็ดกับไก่แต่เสียงมันเป็นอย่างยังโบคือกันคนเฮ้ามันก็คือกันมันนขาสองแขนสองหัวหนึ่งเสมอกันคือขันหา ก, กับธาตุสีมันนั้นแตกต่างกัน ก็มันยืดนเงาก็กันก็มี่มันเลยอายุสั่นๆก็มีอายุเงาก็มีมันนลยหลายปีลูกกระพอกระเมคขอดออกมาเลี้ยงออกมาแล้วนาชีได้เผาเมยเผาพอเมีเเเยนศพพอเม ย, เ, ย, เ, ยเอาไปให้แม่ให้พ่อให้แม่ได้เมียนศพก็มีมันเป็นเพราะยังละบัน แล้วก็ต้องพี่เจรณ า, น, านักปฏิบัตินักภาวนานักสแสวงหาบุญหากุศลเพื่อนสอนให้เสียกรรมมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเพื่อนบาสอนให้เสือเน่ยอื่นกรรมผ้ามาไปก็กรรมผ้าไปเราที่ตัดสินใจเห็ดจังไหนมันเนี่ยทสัส่งกรรมดีหรือสิสั่งกรรมบ่ดีอันนี้มันอยู่แต่ละบุคคลที่เลือก นี่ล่ะโลกกับถ้ำนี้ไกลกันเม่ได้ต้องไปน้ำกันโลกก็อาศัยถ้ำถ้ำก็อาศัยโลกแต่ว่าปัจจุบันนี้มันหนักไปทั้งโลกหลายขันมมนแตงหาบก็เป็นค้อนโลกาที่ปเตยยะไหลธรรมาที่ปเตยยะนี่หน่อย ฝักไฟไปทั้งบุญทั้งกุศลนี่หน่อยไปทั้งบาปทั้งอกุศลนี่หลายนั่นและแคนอยู่ในนี่บนหน่อยๆน่อยแต่ว่าเห็นมาเท่านี้แ่ละบุถึงร่อยเป็นยังไงมันนมันที่เป็นขา ง, นน ง, ขาง้วกับขนง้วที่นี่เนาะคนขาง้วนี่เขาไปหาศินหาทรรม หาสวาัณหานีพพานคนงัวหนีมันก็เลื่อยจิบไปทั้งคุณนะทั้งนรกทั้งอวิกีสังกันไปเรื่อยๆดินิยมกันไปอย่างนันแล้วความสแสวงหานี่ยก็นำภาพอะไรก็ยังมาก็ยังบมทนาเมาหลายอยู่กับใดวันนอยู่กับสัทธา ท้าคือควมเสือภาษาทะควอมเหลื่ยมใสเหลื่ยมใสในถ้ำคำสังสอนของพระสัมมาทิฏฐเจ้าเพื่นก็สอนให้ไปให้ค้นไปทั้งดีโบสอนให้ไปทั้งตัวแล้วแต่คนหักไปรับสินไปเมื่อยกยกไปวังหันกะได้เมื่อก้ค้นสินแต่หักโบมี่ก็มี่ สินเฮีสินขาดสินสมองสินดงังสินพ่อยสินอ ะ, ละได้สินเมดทุกคนอยู่เนี่ยโบค่าโบอของแต่ว่าหากโบมีสินก็มีเป็นยังไงรักษาโบได้ได้แต่คําการประพฤติปฏิบัติมัโบได้เหมือนกับมีเครื่องปลูกเงินล้พะว่าพืชเรามีแต่เราโบได้ปรับปรุงเราโบได้รักษามันก็เลยโบงาม อันนี้คือกาละสินอยอกับตัวหตัวมันนี่หลวงปู่หลวงตาพณัปวามิตสีแนะัำขอให้เท่านั้นปาน่าทิณนนากาเมมุมาสุรา่าได้นี่แหละมันอยู่กับตัวของเจ้าของเองศีนก็ได้สำนลมกกยว่าจาให้เรียบร้อยซื่อว่าศีนเพิ่อนบอกไว้จังสันด้พระบู้า กมรักษาใจมันชื่อว่าสมาธิเนี่ยกมรับรูใ้ในของสังขารชื่อว่าปัญญาบ่ได้ไรเอาซุมนั่นซะวันนี้โทษที่เกิดเพราะกมละเมิดในขอที่พระพุทธเจ้าห้ามนี่ยังแ น, นมันในพิ้นห้ามป่าหน้าบ่อคาสัตดอธินาบ่อให้รักกาเมืบ่อให้ประพุทธผิดในกรรมมุสาบ่ใหา้ตัวบ่อให้โกหก สุราบอเห็นดื่มดื่มมันกันเลยมีแต่โทษบนนี่เราสิเอาโทษหรือสิเอาคุณอันนี้เราต้องตัดสินใจเองแต่ละคนเอาเพิ่นสุรานีิมันดีใจมันก็ดื่มเสียใจมันก็ดื่มนี่จินแก่กลุ่ ม, มว่านี่อันนี้แหละท่านดื่มเข้าไปแล้วมันก็เลยผิดผิดสินขอหา ก็เลยเรียว่าเออนามเปลี่ยนนิสัยไผกินเข้าไปก็เลยปากกาหนา ด, านาดา้านกล้าพูดกล้าจากร้าทำาบไดเรียกพระกินพระก็เมาเทวดากินเทวดาก็เมาหน่ายเพื่อพรว่ากินเมานุ่มกันหมดนี่แหละเราเหตุจังไหนสิตัดมันออกได้หายมันไกลไป เมาไนก็พรแห้งแล้ววันนี้มีอยังงนี้แหละเมาในเมากิเลสเมาตัณหาเมาอวิชชาเมาสับสมบัติสารภัดเมาวันนี้ขั้นเป่าเลียงเมาเป่าเลียงติดมันก็ติดไปหมดละวันีติดรูปติดเสียงติดกินติดรถติดขั้นติดสินติดซ้ำท่ำนั่นเออ ไปทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อันติดลูกติดเสียงติดกินติดรถบอรลุดจากออกลำบากนั่นแหละติดไปหนักๆมันก็ทุกข์มาเนี่แต่เริ่มติดนี่ก็ทุกข์แล้วเริ่มทุกข์เริ่มทุกข์เริ่มทํากรรมท่ำขามทรมาน เบื้งไปเบื้งไปแห่งทุกมีแต่ทุกอยู่นําทุกคนมันเนี่มีเงินก็ทุกเมืม่อมีก็ทุกที่กล่าวเรียงทุก ท, ที่กล่าวเรียงโล ก, กเอออยู่กับโลกเลยแบบนี้มีแต่โลกมนุษย์เราก็เลยเป็นหน่วยเพราะทำโลกเป็นที่ไว้ทุกเก็บทุกสะสมทุก การเรียงโลกกัสะสมโลกเอ้าลายบางนูโลกอย่างนี้จะขุโลโพสตตาโลโพชิวหาโลโพโลกในหูโลกในตาโลกในจมูกโลกในลิ้นมีขันพิโลกันนั่นแล้วก็ทุกข์ลวบันเนี่ยเจ็บหูเจ็บตาเจ็บท้องเจ็บลิ้นมันก็เลยทุกข์คนทุกท่ายกันเลยอยู่นั่งกองทุกข์บันเนี้ยมนุษย์เรา แล้วจะจังไหนจึงที่นหนีออกจากถูกได้นั่นละ่ะหาทางออกทางไหนละ่ะอู้นทางบุตรบุเกิดบุแก่บุเก็บกบุาบาตายมีทางนิพพานพระพุทธเจ้าพูดบอกไว้แล้วด้วนิพพานังปรามังสุนญ์ยังพระนิพพานเป็นสุนญ์ยังยินแล้วบุไดมัเกิดอีกเลยก็บุมีถูก ขั้นเกิดเมื่อแล้วก็ต้องถูกมันต้องเก็บต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเกิดในเบืองต้นแต่ในทำกลางดับในที่สุดโบเลียจะคนที่นั่งยืนในในอาคารในหอนไปหมดฮิตร์าหรือเลวก็กันเท่า น, นั้นละ่ะแล้วก่อนจะตายจะไปเล่าสิสั่งยิ่งใหไว้เท่า น, นั้นละ่ะ อุปกรณ์การก่อสร้างพ่อกับแม่ให้มากครบหมดเลยโมว่วายิง่งโมว่าไสา้ขาสองแขนสองหัวหนึงตาก็สองหูก็สองเลยล้วที่สั่งนี่ยังมันที่สั่งสวรรค์บ่หรือที่สั่งหลกนี้จากหนีไปแล้ ว, แ ล, วแล้วที่ไปใส่เราทั้งเราคนจีเหตุหนทางไปแล้วบ่เห็นทางไปแล้ว รีบดำเนินสิ้นลมหายใจไปแล้วหมดทา่าหมดหวังหมมีสิทธ์จะทำบาปกบอะไรทำบุญกบอไรท่ันสิ้นลมหายใจแล้วหมดสิทธิ์แล้วไอ้นั่นพนยังว่ารีบทำรีบหารีบคัค้วรีบสแบสวงสแสวงหากะ ที่อยู่ที่อาศัยเราที่ไปทางไหนเท่านัน้นแหะไปทางนั้นโลกบอดหรือที่ไปทางสวรรค์มันมาน้ากันในบุญกับบาปเราเกิดมาเนี่ยมันมาน้าพร้อมบาปกับบุญมาน้ากันน่านลกกับสวรรค์มันมาน้ากันเหมือนกระ บ, บอกเ้่านั่นแหละบอกเ้่าลูกเดียวน้อยเดียวนัน่น กะทิมะพร้อมน้ำมันมะพร้าวก็ม้าพร้อมเราอยากได้กะทิเราจะทำกะทิมะพร้าวเหตุยังไงแล้วก็ต้องการน้ำมันมะพร้าวจะทำยังไงนั่นแหละคนๆเฮาคนหนึนนนน่งคนหนึ่งมันเป็นแบบนั้นมีสวรสด์มีนรกมา น, นั่งเปรียบ เ, เหมือนกันบบมกพร้าว ม, มันต้องมีกะทิยุทุกหน่อยทุกลูกแล้วมะพร้าวกันแล้วก็มีน้ำมันยุทุกลูก เราต้องการะกะทิหรือต้องการน้ำมันมะพร้าวเราก็ต้องทำออกยังไงอีเคยทำอยู่ว่าเนกะทิมะพร้าเคยไหมเคยเออก่อนทีได้กะทิมันออกไม้ที่จังไงมันมะีมีดบแมแนบอกมีดมะปอกเปียกมะพร้าวออกไปเห็นกระลาแข็ง เอามีดฟันกระลาบบอกผาวผาวออกไปเลยเห็นเนื้อแบบอเ้ากันจังได้ขูดออกมาขั้นออกกะทิเป็นกะทิแล้วเจว้า น, นี้เอาน้ำกะทิไปใส่หม้อข้างไฟเจียวเข้าไปเป็นน้ำมันหหมีดคือไมายเอาใสบอเนี้ยแล้วก็ไม้เอาศิล น, นี่แลหละสิเป็นมีดเป็นสัต้าเป็นอาวุธ สำหรับปอกบกพ้าวพ้าบกพ้าวขูดบกพ้าวขันเราบ่มีสิ น, นล้วก็บ่ไหนแ้วกทีบกพ้าวที่เอามืดฉีกเอจ่องทีก็บ่ไหนนัน อ, ออกต้องเอามีดฟันมีดก็คือสินแล้วมั น, นอ๋อขันผู้ใด อ, อยากมีมีดมีหนังเออรักษาสินหาจินหานี่แหละเป็นสินเบียงตน้น ถ้ามีสินหาเหมตุคนุนรักษาได้เมตทุกขอแลวโอ้สบายคนสมัยปัจจุบันวัยรุ่นนั้นมันขาดสินหานี่ยนะมันเกิดเรศลำบากเดือดร้อนประเทศไทยเศ้าพูดอันนี้มันเอาไปอมามันที่พูดแต่ในน้ำานะ่ต่อไปมันขาดท้ำ ขาดศีลขาดธรรมโลกกับธรรมมันเป็นของคู่กันมั น, นมีอยู่สีขอ้อตั้งแต่มันตามโลกไปทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลียนลู่จบดอกเตอร์ปริญญาเอกโทษตีหรือพอหาพอหกจบ จะมีถ้ำสนับสนุนถ้ำสนับสนุนจุนเจียมันท้ำหยั่งละมันี้คืออิทธิบาทสีสันทาวิริยกิตติวิมังสาเออเอาใจฟักไฟในสิ่งนั้นเอามันตีตอในสิ่งนั้นขาดขอไรขอหนึ่งนี่จิจการงานต่างๆบรสบสำเร็จนั่นละ่ะโลกกับถ้ำมันเป็นของคู่กันไปทั้งท่า น, นมานี้ที่เป็นหัวหน้า เป็นผูญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวปะหัวหน้าน้ำประเทศบก็ต้องมีท่ำชี้ออีกคือพบมีหารชีป่ะเนี่ยถ้าขาดพบมีหารชีน่แม้นที่เป็นญงเป็นโตปนั่นก็บริสุทธิ์บุญแบบขาดท่ำชียังเนี่ยตากระุณามูที่ตาเบคกขานี่นั่นหละเป็นหัวหน้าเป็น ยังก็ตามแต่ละบนันธันต้องมีทรามันนี่พ้นสั่งมาบอกพ้นสั่งไห้บอกไวอย่างสันติพระพุทธเจ้าพ้นเรียกว่าท่ามเป็นเครื่องยูของท่านผู้ใหญ่คือพรมิหารสีผู้ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวนี่ก็เริ่มแล้วนั่นเริ่มให้มีไห้นั้นจังครบสูตรครบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำคุ้มคล้องโลกคือฮิริโอ ต, ตะปะอ น, นั่นละ่ะทำอันทำให้งามสองอย่างอีกคือขันติสรุร จ, จักทาบมีขันติสรุร จ, จะก็บาเกิดขันติข้มอดทนสรุร จ, จะคข้มสงบส ง, งียมขันมีขันติและสรุร จ, จัมันต้องเกิด กิริยามลยาตนิ่มนวลอ่อนยนอันนี้แหละท่ามอันทําไห่งามสองอย่างเพื่อนสอนไว้จังสันนี่พระพุทธเจ้าพวกเล่าเป็นเศร้าพุทธก็ต้องตามร่องรอยของคนทากุมข้องโลกวันนี่ฮิริอตตะะุตปามันขาดทําชีขอนี่แ่ะชี้ยางนี่แหละโลกสศร้าพุทธเมืองไทยเฮามันจังดือดร้อน ฮิรีโอตปาหาความเก่งกลัวมีได้หาความละอายมีได้มันก็นเลยทำไปแบบบ่มีอย่างอายบ่มีข่มเก่งกลัวมันเลยกล้าทำกาเหตุกล้าพูดนและมันขาดทำหนึ่งสิละก่อโลกวัตถิเดลอนถ้ามีฮิรีมีโอตปามีคว่มเก่งกลัวมีข่มละอายยุ่นสบาย ทำที่ย่างนี่แหละคนว่าเพิ่มกาวไว้เป็นกันเราก็ต้องพยายามเป็นหัวนาเป็นคู่เป็นในจาย์เป็นนิยังก็ทำแต่ละเป็นผู้ทําแล้วก็ต้องฝึกหัดดัดนิสัยของลูกๆหลานพวกเกิดใหม่ในหลังให้มันเข้าไปในซ่องนี้ยังที่บ่อใดเลือนล่อนทําบาปทํากรรมหนักมาหลายเพราะสมควร ลูกหลานแต่และคนนั่งอยู่นี่ล้วนแล้วแต่มีลูกมีหลานทั้งนั้นแหละนี่กันช่วยบอกกันมันบาปจังสั่นบุญยังชี่จะสอนทำกรรมมาตั้งแต่พูนะคนเฮาตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในทองแม่ทุกคน ถ้าไปทรมานจิตใจของมา่านดาผู้ตั้งท้องตั้งขั้นมัน น, นั่นแหละนักใจมัตติพุนละอัดขอดออกมาเลยก็เออหอเพิ่นเลี่ยงเพิ่อนอับหนามเสดชี้เยีย่ยวให้แม่เป็นผู้เสดผู้ล่างท้านุทน้อมกันมากไงคือมาได้ไอได้ไอ้มันพ่อเจ็บมือวะล่ะ เมือหรือแปดเก้ามือตอนนั้นกําลังเป็นผีดูดเลี่ยดดังอยู่นี่คือทีได้ค่อไคยได้ดุรเลี่ยดอยู่ที่นี่เนาะนั่นแหละนังแบบเบาอยู่นั่นนั่นเนตั้งเหยวตั้งเหยาอยู่นั่นเป็นผีดูดเลี่ยดเลี่ยดของมัณดานั่นแหละ บีบข้างขึ้นไปบล็มความขึ้นไปบล็มันที่เป็นสีเหลีย ด, ดน้ำนมพระไตเคยเลียงบุตรนั่นละ่ะปู่เขเลยเอามันเป็นผีดูดเลียดโตขึ้นมาเนี่เป็นผีดูดซับดูดสมบัติซะแล้วะนี่ผ่านซับผ่านสมบัติของบิดามันดานั่นละ่ะ บุญคุณของบิดามันดามันมากไก ล, ลกายกวอแล้วบุลูกบุตรบางคนก็บอกคิดถึงมันบกคิดถึงบุญถึงคุณของบิดามั่นดาผู้เลี้ยงมาผู้ให้เกิดขาพ่อขาก็ขาก็มีเขาตบตีก็ตบตีนั่นมันบาปหนักบันเี่คนก็เกาไว้แล้ว ปีตุขาดขาบิดามาตุขาดขามัณดาอนันตะขาดขาพระอรหันต์ทำลายโลหิตตุบาตของพระพุตรเจ้าถึงห่อขึ้นไปยังทรงให้แตกกันอีกอันนี้พิ่นหา ม, ม, นนหามันหามสวรรค์หามนิพพานมันจัดเขาไปในอนันตริยกรรมหา่าหามสวรรค์หามนิพพานบิดามัรดาของเลามัน เป็นพระอาหารหันต์ของบุตรเป็นพ่มของบุตรเราสีไปตบตีวา่าข้าหยาบคายใช่ไหมไรบาปนั่นหละเริ่ม ท, กทากรรมทำ ท, ท, ทรมานมาตั้งแต่ตั้งขั้นในทอ้องยะแต่อยู่ในท้องแม่ตั้งขั้นอยู่พึงน้มเลียดทุกยศอยู่ในร่างกายมันของแม่แม่ให ให้น้ำถาดนา้ำเรียกว่าอาโปธาต์พ่อให้ถาดดินเรียกว่าปฐวีธาตุแม่ ใ, ให้สิบสองพ่อให้ยี่สิบร่วมกันแล้วเป็นเท่าไหร่ฮะทั้สิบสองเออ เคยได้เคยได้อันนั้นมาเนาะสามสิบสองันนี้มันเกินนิทาดหนึ่งเลยตัดออกเคยได้ตัดไหมนี่ถูกตัดหมอฮะถูกตัดเหมือนทุกคนนี้ยันนี่มันเกินก่าที่ถูกตัด ถึกตัดถึกตัดมาทุกคนขั้นเบาให้ฟังกที่อ่อนเลยนะขั้นหอดบันอ่อนนี่บันอ่อ น, น ท, อ ท, อ ท, ที่เข้าใจแต่สิดื่อใส้โรคใช้แหงนเลยออกมันเกินนี่นั่นแหละตัดออกคือเสดื่อตัดทุกคนไปไปมองยังนึงก็กถามมาย่อนมา แม่เป็นผู้ตังทองตังขั่นเป็นผู้ถือ้าหรือทองไงก็ได้ขึ้นในหน่อยก็พอหรอวานี่พ่อให้ยี่สิบแม่ให้สิบสองให้ธาตุน้ำดีลเลสเลสน้องเลือดอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เรียกขาดแค่นี้เอาว่าพ่อเป็นถุเปรียบเทียบเหมือนกับถุงถุงยาง หรือเหมือนก็นติ๊กหนามใช่หนามอยู่ในหันขันมดมีแเนวหุมเ น, นี่ยหอหนามอยู่ในที่ไหลหนีหมดแหง้งหนังหุม่มโทษตัวรอบตัวอยู่นี่เลียดน้องทะเลนี่ยังต่างๆอยู่ในบืไหลออกกระเพาะนีหนังหนังนี่เป็นธาตุดินเป็นของพ่อ ก็เลืยหลายกูข้องแม่มันเพราะห่อหุ่มไปอันนี้สิเข้าใจยังมั้งนี่อ่าถ้ามันไมีเนวห่อหุ่มนี่น้ำอยู่ในร่างกายที่ซึมหนีแหงแต่เดนี่ก็ยั่งอยู่วมันไมีเนวห่อไม่หุ่มนีหุ่มยังมัมีน้ำแต่ว่ามีดจีดเพิ่งเนาะกินหนังขาดออกมามันที่เป็นน้ำชี้แดงๆที่ไหลออกมา นั่นแหละมันบ ม, มีน้าซึมมองว่า ก, ก็เพาะมีหนังซึมนิลหุ่มไว้คือถาดของพอถาดพอเลยหุ่มไว้เหมือนกระเลานุ่งเสือนุ่ห่าหุหนังไว้นั่นอันนี้คือสิ่เป็นที่ทํานองนั่นกอพอสิได้หลายที่เนี่ยถาดหนัก ธาตุดินนี่ปฐวีธาตุดินเป็นธาตุที่เข้มแข็งแข็งแกร่งธาตุของแม่นี่มันอาปุธาตุโอนว่าอาปูธาตุนี่มันธาตุน้มันเหลวว่ายโยกกับเตโช่ธาตุไฟกับธาตุลมนี่เออพอกระแม่ความอบอุ่นขันมีแตสสองธาตุนี้ ต่างคนหมดอยู่ซื่อๆนี่แหละเนี่ยไม่เตะดินกำนามเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้บ้านนี้มันก็เลยมีล่มกับไฟร่มนิติพัตไฟมีไฟขึ้นก้าๆก้าก้าห่อนเดียดน้มอยู่ในร่างกายนี่ก็เลยเป็นเปรยวคุ่งไปเลยสุดปลายมือปลายเท่ามันก็เลยเคลื่อนไหวไปมาได้ ขั้นร่มดับคนร่มอ่อนไฟก็อ่อนขั้นร่มดับไฟก็ดับขั้นไฟดับแล้วก็ร่มดับแล้วก็เรียกว่าตายติ่งโมได้แข็ง ต, นงต้นงดซื่อๆนี่แต่ดินกับน้ำยหอนบ่พ่อสามจีขึ้นตึงขึ้นมาแตกไหลยเยิ้อมออกมาทั้งจมูกทั้งปาก เป็นสีซุมพู้เป็นปวกฟ้องเป็นฟ้องคือผงนี่กันี่มันเนี่ยปูมออกมาอันน่ะมันก็เลยซึมละลายไปตามพื้นนั่นแหะมันเนี้ยน้ำธาตุดินก็ทับถมกันอยู่นั่นแหละก็เลืยเปลือยละลายไปไฟก็ไปตามอากาศลนะร่มก็ไปตามอากาศอากาศร้อนไปไฟไป อากาศล่มเย็นเย็นไปอากาศล่มไปนั่นแหละจังว่ามันขาดบะไรคือถาดล่มกับถาดไฟมันถาดไฟกับถาดล่มมองอยู่แหละเออตายดับแต่ก่อนมันลดไฟปูรไอคีวจากหอลลุมพงไปหอลอุดรขึ้นหนึ่งดืดเดียด คืนเดือนที่แปดน่นลี้าฮอตอูดดอนแจ้งเป็นอย่างมันซาตัวที่ไปฮอดบนสถานีย่อยๆบนไม่แหงเขากองไว้กองไว้เฮ็ดเป็นลาเป็นลาบเป็นลาบรถไฟไปฮอดทันสถานีนั่นก็คนเข็นกันขึ้นไฟลูกบุบบุบแตกเลีวขั้นมันไฟอ่อนลุง ก, กัเออซาบันนีรถไฟ ตัมือนีมันสบายในหัวดีเซลแต่ก้อนเอานั่นแหะสุมไฟนั่นแหะจนได้เศ้าขี่เศ้าคือมือนีรถไฟว่ามันซานั่นแหะอันคนเฮาก็คือกันนั่นแหะมันในข้อมอดบุนถ่าลมพัดไฟหมดแล้วก็เออเหมือนแล้วบัางนี้ยเ่าแกสล่าสูงอายุมาก ล่มกับคอร์อนไฟกับอ่อนมั่กอเลยบุงบ่ออันแข็งแล้วันนี่ไปได้นกับเมยอเพียแม้แต่นคนประตูประทาอยู่ทั้งบันนอกมันหน้าบัดที่ลูกนี่ก็ได้ก่มกเกมพื้นจังลุกได้แล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนนิ่งยุจ่จจะคู่พืนแหละจังเดินไปได้เป็นยังระบปวดแอลกับขา ข่มเทอข่มแกข่มทะล่านี่ตะสีสุดต้องไปเรื่อยๆในคนนอกนั่นแหละเมืองเตะเดียนก็แล้วกันแหละเดียนนี้มันกันลังขึ้นก็เท่ากับถ้าลูกกาลังเกิดกําลังคลอดขึ้นมาเดียนีจะคําแล้วนี่สองสามคำแล้วบเดียนที่พูดลุยขึ้นมาแล้วนี่นไปถึงสิบสี่สิบห้ามือนี่ที่เต็มดวงเลย แสงกระสหยฮวงอันนี้แล้มใบแล้มใบคำหนึ่งสองคำลีลงุงลีลงุงน้อยเข้าไปเรื่อยๆวันนี้อายุสังขารของข้นก็นบ่แปกกลางกันหรอกมือนก็เดียนนั่นแหละขึ้นวูวูขึ้นมาห้าชิพหกชิพเคร่ง ข, ข้ น, ขนหรือขอนแล้ววันนี้ขอนไปคนไปว่มีย้อนกลับขึ้นจากเถื่อวันนี้เท่ากับมมเข็มนาฬิกานะ มันจะไปเลื่อยๆไปไปไปไปไปหนึ่งใบสองตีหนึ่งทีสองไปชีวิตกรอบของคนก็เป็นแบบนั้นหละมันไปเรื่อยบ่มีที่สอยหลังแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็บ่มี ท, ที่ยังยืนเท่าไหรไปเรื่องการเมื่ตายลูกเดียวแล้วก่อนจะตายเขาจัง เพื่อให้ทำข้มดีข้มง่ามไว้อันละ่ะมันจะมันขั้นสิ้นลบหมายใจแล้วก็หมดสิทธิ์ที่ทำบาปก็ทำมาได้ทำบุญก็ทำมาได้ที่กินยั้งก็กินามาได้ละมันนี้อ่านี่หลักมันเป็นมาจังทั้งทุกคนเนีเกิดมาแล้วใหาสีเรียกเอาทั้งไหนวันเนี้ยห้เรียกเอา ใช้ทีเริ่มขันกะทิบวกเ้าอยู่บ่เดนเนี่ยโดยผูพบางคน็ี่เริ่มเกี่ยวน้ำมันเอาน้ำมันเอาเห็ดเอาถ้าเมานี่มันยังใดบุญบาปมาน้ำกันนรกสวรรค์ก็มาน้ำกัน พิต่ว่าเราจะเรียกเอาไนก่อนที่เรียกก่อนที่ไปสวรรค์เราก็ต้องมีสีละไม่ถ้านามไม่เพราวันหน้าไม่เรามีแล้วหรือยังถ้ามันยังเม่อท่านได้เกิดได้มีพอยายามเหตุพอย่ายา่ำทำสิ่งเหล่านั้นหละมันที่พาไปสวรรค์ไปนิพพาน เพจนสอนว่าขั้นว่างขั้นนี้พระพุทธเจ้าแต่เราเป็นลูกเศร้าพุทธคนไทยเศร้าพุทธเราก็ต้องตามแล้ววันหนึ่งหนึ่งเราทีคิดไาจังไหนเราทีคิดถึงศาสนาพุทธพุทธเถรวาทโมเมนสิเออมื่อนี่วันศิลวันพระเราจะไปตั้งภาวนาเราพัฒน์ภาวนาบริกรรมมาพุทธพุทโธ พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมือหนึ่งหนึ่งต้องเราเราเราเราแฮมันอยู่ในใจมันก็เลยติดนิสัยมันก็ได้ดีบริกรรมไปทั้งพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรือพุทโธพุทโธเข่าพุทออกโธถ้าไม่ได้เข่าว่าออกก็ตายอังถ้าไม่ได้ออกว่เข่าก็ตาย ว่างอันนี้เราก็ต้องพยายามพิ่เจรณาเบึงมันตายหรือว่าตายเนาะว่านก็เ บ, บึ้งให้มันเห็นแต่จิตมันบ่เทาตายก็ว่าตายจิตเ ข้างพุทธการนั่นนะ่ะพระพุทธเจ้านั่นนะ่ะสาวกของพระพุทธเจ้าถามปัญหากันพระสตูปอุภาจามกกพระสารีบุตรถามปัญหากันพระขี่นาศบตายแล้วเป็นอะไรวะท่นพระสารีบุตรก็เลยตอบเฉลยว่า ลูกเวทนาสัญญาสังขารมันดับพระขีณาสุภไม่ตายท่านก็คือจิตนั่นแหละพระขีณาสุภถามย้อนเข้าไปอกีกเอาอยังมาเปรียบเทียบท่านพระยาโมกถามย้อนเข้าไปอกีกทายริบุกรก็เลยบอกวา่าทายเานังอยู่เฮียนหอเลีอนหอของเราที่พักที่นอนที่หลับที่นอนที่ น, นั่ น, นของเรา ไฟไหม้โค้งหลังคาข้างบนนั่นนะพังลงมาสเสร็จแล้วเราจะนั่งให้ไฟค อ, อกตายยังันหรือวท่านี่มีโอกาสนั่งอยู่ให้ไฟค อ, อกตายบ่เราต้องออกประตูหน้าต่างไว้พระท่านอันนี้ก็สันใดพระ่านนี่จิตของคนเรามันก็ต้องออกจากร่าง ออกจากล่างเขาก็เบิ้งอะไรมันล่างเขาเอาไปเผาไปจี้กันมันในจิตไปทั้งไหนมันเนี่ยนึกคิดมีมูมีเพื่อนอยู่ทั้งไหนทั้งไหนต้องไปยึดตรงนั้นลหละก็เลยไปขอพัก ที่พักอาศัยเพราะได้ดับได้นอนเรียกว่ายังอ่ะขัแมนไฟกรรมฐานทุดงก็ส ป, ปายยะหาที่พักที่ประกดแขนกดที่เหมาะสมงขั้นที่ว่าเลี้ยงกรรมก็เออเลี้ยงท่องธรรมะ ก, กัเรียกว่าอุปทานยึดมันถือมันในสิ่งนั้นไปยึดอยู่หันก้อยู่หัน ก็เลยไปเกิดนี่หัน่นละมันไปขอของนี่หัน่นอุปทานคือความยึดยึดมันถือมันน้ำพู่พวกน้าลูกน้าหลานก็เลยที่ไปเกิดน้าเป็นลูกของลูกเป็นลูกของหลานไปแล้วห้ที่หาทางนี้ยังไหนได้บ้่งดีหาหวงลูกห้องหลานก็ที่ไปยั่หันละมันยึดนั่นล่ะมั น, นก็เลยกลับเวียนตายเวียนเกิด เฉพาะมนุษย์มันว่อนเวียนตายเวียนเกิดเฮจังไหนจังที่หนีจากคมเกิดได้กันฮะพุ่นก็นบอกทั้งอยู่เลยทียังพุ่นก็เอาไว้เหมือนแล้วพระพุทธเจ้าพุ่นบอกไปนะพุ่นให้ว่างท่านพุ่นให้ตัดให้ว่างแล้วคนห้องมันก็บรรยาว่างแล้วไม่ต่ติด กัตั้งขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยติดนาโมตัสสะมันก็ไปเลยเป็นนาโมติดสะติดลูกติดหลานติดกินติดรถสารพัดติดบัวเนี้ยเห็นลูกอันนั่นง่ามอันนี้ง่ามเสียอันนั้นง่ามคร้องเท่าอยังตามแต่ลราไทถอดรถง่ า, งงามงติดก็เลยไปเสือไปค้นคว้ามาเสือมาไหว กังรูปท่าว่ามันหอมยี่ห้อ น, นั่นยี่ห้อ น, นี่เด็กเข้าไปหอนแอบเว่ยสื่อมาใส่ราคาสูงวันหดก็สื่อบันี้ติดบริจังสันต้องติดนั่นหละมันติดรูปติดเสียงติดกินติดรสวันนี้อาหารยี่ร้านนั่นร้านนี่แซ่บอร่อยไม่ลดอร่อยดีสือไม่กิน อาเรติดเนี่ยเหตุยังไงมันที่บติดมันทีออกทุ่มนี้ได้กับปัญญามังภาวนาทั้งหลายทั้งปวงนั่นนักภาวนานักสแสวงหาบุญนั่งคิดมึงดูเห็ุยังไงมันจึงที่บติดขั้นติดแล้วขั้นมอมมี่มอมี่ใส่ก็เออที่ถูกหรือซี่มี่ันเนี่ยมันก็เลยเกิดมี่ถูกขึ้นมากทั้งถูกทั้งมีมาพร้อมกันนี่มันเนยมี่ยังไงมี่ถูก เพราะว่ามันขาดสิิงแล้วนั่นจริงต้องการมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาเหตุจากนั้นมันที่หนีจากทุกข์ได้วันเนี้ยอันนี้เราก็ต้องใส่โมฆะคิดใส่ปัญญานั่นหละมันติดติดจนโมูะจักออกก็มีเมือนก็ตัวม้อนนั่นแหละตัวม้อนตัวไหม้นี่ลักษณะม้อนไม้นั่นน่ะมันกอหลอกมันฟักหลอกมัน ว้นทั้งนอกเข้าไปในว่อนไปว้นไปลัดตัวเจ้าของจุนเหน่นอยู่ใน เ, นเลยตายค่าฟักหลอกฟักไม้ อ, อันละ่ะมันลักษณะนั่นเราเสีเยาเราสี อ, าาสออกหาวิธีออกอหายวันนี้ขั้นเอาแบบตัวมอ่อนโอ้ไปมดเลยโจม ตุ่มอนตุ่มอนฟักหล่อหอเจ้าของเฮ็ดเอาแง่เจ้าของเกลียวเจ้าของหอไเลยออก ไ, ไม่ได้มีแง่แก่ๆไข้างหมอเอาหมอใส่นามไ้เลือข้างไฟไปเนี่ฟดลงๆย่โมไปใส่สาวเอาแง่ไหมออกทุนั้นเลยตายฆ่ากันยนนั่นแต่ล่าสุดนี่มินตีแจ็โตทนันันนั่นละ สร้างบาปส้างกรรมมบ่หน่อยคุณฮู้อันนี้เราก็ต้องหาหนักภาวนาฮาู้ก็ต้องพยายามหาทีออกนะาทาังออกสร้างบาปส้างนั้นมากๆพอแห้งแล้วเออง่เขามาหาสินธรรมกันนิดหน่อยบย่ได้นำเนินให้มันค่งกัน มันก็เลยควานมันเนี่ยขวานไปทั้งโล ก, กาทิปเตยยะาาธรรมอาทิปเตยานิดเดียวมันเนี่ยแต่งหามมันก็เลยควานกันหนักทั้งโลกหลนั่นแหละกระยอนคมติดคมชอบติดกินติดรถติดลูกติดเสียงเสียงไพเราะเสียงลูกสุดสวยงดงาม รส ด, ดีรสแซ่บรสอร่อยติดเ <c oughs> ห็ุจังไหนมันที่ติดเขาก็ต้องพยายามงามออกตายเห็นลูกอ่น น, นง่ามอันนี้งามมาจากใดก็เลยติดได้เอานั่นละ่ะได้ลูกมากก็ต้องจูกก็เอาึ้นกันละปันนีหย พอพอกแม่าผ้าเป็นแล้ว เ, เ, เป็นแม่แบบแม่พิมพ์เราก็ต้องทํำดีๆบ้าให้มีสินไม่ทาให้รู้จักประมาณในการใส่ของบาฟุ่มเฟือยประหยัดทั้งทุกกระโบทุกหลายอันนี้มันเกินอยู่ที่ใ น, ในบ่บานเท่าประเทศเท่า ใส่ของรถกว่าจักกว่าจักขั้นเห็นหลุใไม่ออกมาง่ามหลายกซื้อติดว่าจังเงินติดรูปวะมันลหละมันมีนาที่ังสั้นนิสตามันเข่าทั้งตายพี่ดอกแต่ว่ามันสรงลงไปพุ่นมันผู้ตัดชิ้นใจมันพุ่นอยู่หน่ายพุ่นคิตใจ เสียงยัง เ, เพ่งอันนั้นไปเลาะมวนชอบเขาหูทรงลงใจกินอันนั้นหอมซื่นใจทรงลงใจน้ำซึ้งลดอันนั้นแซ่บอร่อยดีทรงลงใจหน้าที่เขาเป็นทั้งสั้นไล้ลืน่น ทีเอาพริกเอาเกียมาท่าน้ำแข็งน้ำมูนี้บมลูเจีกร้บนโมลูเผ็ดลูเข้มติดปลายลิ้นนิดเดียวลูสึกร้เคยได้ปรุงอาหารนีวัเนี่ยอจี๊ยมนอกว่าจิบเบงเออพอดีมันโพอดีเอมันพอกี๊ยแต่เอาเกี๊ยวนำปลามาหยดลงใส่เนื้อื่นบมลูสึกที่ใส่หมองอื่นติดปลายลิ้นนี่ลูสึกร้อนทันทีนั่นหละ มันมีนาทีคนละนาทีดี่หูสำหรับรับเสียงนัน่นเสียงนี่ตาสำหรับเบ่งมองนั่นมองนี้มองลูปดีรูบพอดีจมูกนี่ก็เออสึกกินกินเหม็นกินหอมกินชิวกินสารพัดละ่ะเขาหนันที่เขาทั้งหูปหลูบสึกกินท่านเขาทั้งจมูกรลูบสึกหลด เม็นคุยข้าวในเขาหันลูกนั่นแหะมันเป็นคนละนาทีจังสัน้นเรียกว่ายังอ่ะอินซี่หกเป็นใ ย, ยในการดูหูเยเป็นใ ย, ยในการฟังดังเป็นใ ย, ยในการดมลิ่นเป็นใ ย, ยในการลิ้มรสกายเป็นใ ย, ยในการสัมผัสการสัมผัสกายมันก็ ร, รู้สึก เย็นร้อนอ่อนแข็งดูอันนี้แหละเพื่นว่าอินชีหกก็เรียกเขาเรียกว่าปิดไงในการดูการฟังการดมการมันมีหกหกทางเท่านี้วะหกประตูเท่านีดด้ตีเมืองก า, าุงเทหานคทางเขาเมืองก า, นานุนคร เขาตั้งตาเขตั้งหูเขาทั้งจมูกเขาทั้ ง, า ง, างปากทั้งอลิน้นสัมผัสทั้งกายขั้นกายไปสัมผัสเอออันนั่นนิ่มนอันนนดีไว้อ่อนนิ่มพัดไปติดอีล้วันนี่นี่นหละมันเข่าทั้งสามออทั้งหกทา่านแก้ไขวันเนี่ยขั้นเรารู้สึกแล้วแก้ไข ขันติดหลายก็ะทุกหลายนี่ขันมันบูมีก่กระทุกอีกแล้ ว, วันนี้เ็่พอดีเนอมีเงินร้อยล้านสองรอยล้านนี่เย่าว่าเยาวาจิเป็นสุกนี่นั่นแหละมองทุกเนี่ยรถลหลายขั้นกระทุกมีลูกวันนี้ลูกชายลูกสาว เออมันไปหันไปนี่แม่นี่สีนอนบ่หลับค่อยแต่ฟังเสียงประตูปดก่อนลั่นก่อนเสียงล่างเท่าเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงรถเกง๋งรถยังก็ตามแต่ละบิดนั่นเออขึ้นมาเลยเสียงก็แก้เขาในห้องเออแม่ก็พอนอนหลับท่านนอนบ่หลับคิดน้องลูกหอหรอลูกนี่เป็นต้นเหตุ ให้แม่ทุกวันนี้ขั้นหาหาเงินหันนันีบุได้ลูกเกิดเลยฟัดพอฟัดแม่ก็มีมันเคาะปอกแปก๊กปอกแปก๊กคือลูกขิกพอเลี้ยงลูกขิกบ่หู้หรอกแล้วเนะาะบุไดเอาม้าให้เขย่าวงอย้นี่ยนนะ่เห็ดไว้ห็นสามนอนนะั่ตีงนี่มันที่ฟัดปกแปก๊กปกแปก๊ก นั่นแหะมันก็เลยเป็นลูกขิกลูกคอลูกหั่นพ่อหันแม่ก็มันที่ฮันพ่อหันแม่ส ม, มื่นี่ปเป็นแห่งเป็นหายนี้วัยรุนส ม, มืน่นีเป็นยังว่าเป็นหายคลอดออกมากแบบมันกระท่บเป็นผีดูดเลียดแม่หนาน้าหายหายโน้มนี่บอกเกินสองสองอาทิตย์สามอาทิตย์ให้ยเศ้าดูด เอานอมกระป๋องมาให้ดูดมันนี้ดูดจนใหญ่จนเป็นไวรุ่นให้เป็นไวรุ่นแล้วมันก็น้ามของนอมสัตว์นมกระป๋องมันไม่เป็นของสัตว์อุปนิสัยมันก็เลยเป็นนี่ไข่ ข, ขกับสัตว์บอกยากสอนยากมันเนี่ยบอกไปบอกมากห้านอนพ่อหอนแม่ห้านย า, ากหลายก็เลยเอาไปวาดพูดหายลุงปู่ลุงตามัน เช็นมันเอาไปมามาข่าหอดเจ้ า, าวาัดมันนี่นิสัยสัตว์มันเป็นอัางสันดินี่แหละพ้นจ้าให้แยกให้สหอนเนาะวัดจังสิมันมีอยังอ่ะพุทธวดัดธรรมวดัดสังฆวดัดขอบวัดอันเดียวแดงเป็นสามเขต เกศพุทธวัดธรรมวดัดสังฆวาดบานนี้บ้านหลังเดียวก็แบ่งเป็นสามห้องเคยได้แบ่งไม่ได้แยกเพาเนี่ยต้องแยกห้องพ่อกับแม่อยู่น้วยกันห้องลูกชายอยู่ห้องหนึง่งห้องลูกสาวอยู่ห้องหนึง่งแยกกันยังไงครับ เปีต้องแยกที่นองออกจากพ่อจังแม่ผู้ยิ่งก็ได้ผู้ที่กันสั้นมันกามตัวเดียวกันครับสัตว์สัตว์ดีร์ฉานเนี่ยกามตัวเดียวกันมันก็เลยเกิดอันตรายกันแยกออกตุมือนี้มันโง้เจ้าว่าพ่อจังไหนแม่จังไหนลูกจังไหนแล้ววันนี้เป็นประกันกันมี่นั่นแหละมันนิสัยของสัตว์ดีร์ฉานเนี่ยจังไหนแล้ววันนี้ มันบอกคำนึงถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์มนรุ่งไ่ได้คำนึงถึงมันเป็นนิสัยของสัตว์นี่ชาดีชันแล้วคนห้องกัที่ไปตะวันนิพพานนี่มันก็ยากอะไรมันสมมติมันนิสัยสัตว์มันหลานี่น้ำรอเลี้ยงร่างกายม้าบำบัดบํารุ่งสมองนี่มันมีตั้งแต่ของสัตว์หลาย นั่นอ่ะคันโมอุลีมโมฟังนีซส ม, มืน่นหั่นพ่อหั่นแม้มันต้องเข้มแข็งมันมีจกไห้ละหาไห้จีไห้พึ่งไห้พกไห้เพี้ยนไห้พักไห้ภาคคันไหวภาคนี่ตายที่ไหนเผา ผัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นตายพักกันวากันอยู่นั่นละ่ะหักกันแห้งกันปนนี้มันก็ต้องแยกย้ายก็ออกจากกันไปไหวพบนี่อทุ่มือนิบันแห่งคักมิโทรลศั์สมัยแขนสัญญาโท้นัดพบกันหันนัดพบกันนีไว้รุ่นนั่นละ่ะไว้พบมัน วัยเพี้ยนนี่คือยี่สิบามสิบอยากได้อยากดีอยากมังอยากนี้ก็วิ่งเต้นหาซื้อหาขายหาทรัพย์สมรภัทอะไรแบนแต่งงานอันนี้มันไว้ไว้เพี้ยนไปพักนี่ก็หา6ิปหกิขั้นพักแล้วไปสมัครงานทั้งไหนก็บร่ได้แก้มนแนวเลาที่ไปใส่ให้บันนี่ งานของผู้เฒ่าของอายุขนาดนี่ที่ไปใสต้องเขาหาศินนาถ้ำอนไรบ้างเนี่ยมันบาเป็นน้ำซ่นมันเนี่ยสมื่นเนี่ยเฒ่าจะได้เฮ่งอยากได้หลายห่วงน้ำลูกหว่หวงลูกห่วงหลานวิ่งเต้นคุ้นขวยไัเนี้คุกขี่กับลูกกับหลานอย่างนั้นน่นะมันก็เลยเอาไปเอามากก็เลย เนี่ยฮะเอาคือกลัวท่านอุ่นบันใดได้แล้วบ่หวบ่นใดเบื้องดีเลยนนฬิกาตัวเป็นนาฬิกาบ่ฮะใช่หละคือโกหกเออรับชิ้นไปยกยกแล้วเจ้าข่าเจ้าข่าล้วกันเป็นนาฬิกานี่แหลว ว่าท่านมีภูมิบังทำนี้ในตัวเหลััยังไม่ได้บอกว่าหลังเ็เลยอ้าตัวเป็นนั่นริกาบอเจ้าข้าว่าส่นตัวว่างนะเคยนั่นกันยอกอันเว้าพะโร่มเนี่ยเออผู้ขาดีแข้งซ่าขาดีก็ บ, บารับใส่ว่าท่านบอเนี่ยเออมันเป็นน้าบุญวาสนาของปูนาา่นี่แหละว่าท่นบะ แล้วก็พบที่ศาสตร์นี่ปัจจุบันนี่ตัวเป็นเออตัวันแข้งโบซาขาบโบเกิงเนี่นตัวเป็นเงาะซะถอดไวน้นี้แล้วไปทั้งหนาพุ่นย่าเอาไปน้าวางถอดไว้นี้ละ่ะเอาไปมาตัวให้ตัวเอาสินสมาธิปัญญานี่ไปขั้นปลายสินสมาธิปัญญาไปแล้วก็เออตัวที่่มีไฟแดงก็ไม่ลถซุ้มแข้งดีขาดีนี่ที่มีไฟแดงติดนั่นติดนี่ค่านั้นค่านี้ค่าไฟแดง ก็เลยไปโบท่านค้นขาห้างนะวันนี้คนขาห้างนี่ไปบบมี่ไฟแดงนี่นี่ยังงเคียงผูกขันมันบาหลายมันก็เลยไปได้สะดวก